สามารถต้องครบสิบจึงชื่อว่าป ก, ป, กปิดครับต้องหมดทั้งนี้เลยต้องหมดนี้ทั้งยาชื่อว่าปกปิดรู้ว่าในข้อใดข้อหนึ่งก็ชื่อว่าปกปิดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับถ้าเกิดได้รู้ว่าอาบัตรู้ว่ามันอาบัตแต่ยังไม่ได้ต้องเอ อ, เ อ, อรู้ว่ารู้ว่าอาบัต แต่ไม่มีเจตนาจะปกปิดเจ้าชื่อว่าปกปิดอย่งไรครับนี่มันชาติสุกโมนีเอาเจตนามาไว้สุดท้ายครับครับนี่ละมีที่จะบอกของทันรถมาคูเนี้ยผมเจออีกแล้วเอางั้นเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวให้ทันรถไปให้สมบองก็จะรอหามาสู่กษัตริ์ผมผมเจครับ ผมมีสนามสนุนของผมแล้วนี่ทันรถไปหาวานะาไม่ใช่หมอบอกว่าไม่มีเวลาไนดะ้อ้าวปฏิภาชนะลักษณะลักษณะแห่งการปกปิดอาบัตนะครับอาบัตในที่นี้หมายถึงทุกอย่างก็ได้นะครับแต่ในที่นี้เรากําลังเอาสังขารที่เศษก็คือในลักษณะเดียวกันอย่างนี้อาบัตอื่นๆที่จะปกปิดก็คืออย่างนี้เหมือนกันนะครับอย่างนี้เหมือนกันอันนั้นเป็นการแสดงใช่ไหมครับอันนี้เป็นการบอกอันนั้นแสดงแล้วแล้ ว, แ ล, วแล้วเป็นอันว่า ไม่เป็นอนุสวรรค์คือยกเลิกกันไปเลยในศิกขาบทที่เป็นอนุสวรนะครับในศิกขาบทที่ไม่ได้เป็นอนุสวรเป็นเพียงแต่การห้ามของมุทิยานแล้วก็เป็นอันหมดกันไปเหมือนกันถ้าแสดงแล้วในอาบัติเล็กอาบัตกลางคือสังฆทิเสตนี้ถ้าบอกแล้วก็เป็นอันไม่ปกปิดอาบัตประชิกถ้าบอกแล้วก็เป็นอันว่าไม่ปกปิดเหมือนกันไม่ไม่ไม่เป็นการรุนแรงนะครับแล้วก็ถือไปลาวไปนะครับลักษณะการปกปิดอาบัติ อา้าผมลืมเขียนสิบอย่างนั้นนะต้องว่าสิบอย่างหรือเ่าสิบอย่างนะครับสิบอย่างข้างบนลืมเขียนไปสิบอย่างอภาภิจจะโหตินะครับต้องอบัตนะครับอันนี้ต้องแล้วแต่ยังไม่รู้วะยังไม่รู้ท่านยังไม่บอกว่ารู้หรือไม่รู้ต้องแล้วครับอภิข้อนึงต้องอบัตสองอติสัญญาจะรู้ด้วยว่าต้องนะครับข้อสองนี่รู้ด้วยว่าต้องนะครับสองรู้ว่าต้องประกตศโตจะโหติ เป็นปกตตะด้วยคือไม่ได้ถูกสงยกวัดไม่ได้ต้องปบาราชิกมาก่อนนะครับไม่ได้ถูกสงยกวัดไม่ได้ต้องบาราชิกมาก่อนคือยังมีมีสมาไอจังว่เสมอกันกับที่สูงหนึ่งอย่างนี้ปกติโตจะนะครับปก ต, าตาิตะจัญยีจะมีความรู้ด้วย addition, รู้สึกตัวด้วยเราเราเป็นปกติเราเป็นปกติะาตะาคือเรารู้ตัวเองว่าไม่ได้ต้องอาบัตบาราชิกมาไม่ได้ถูกสงยกวัดในข้อหานเราใดเราหนึ่งนะครับ อนันตราโยจะ ja, ไม่มีอันตรายนะครับน้ำไม่ท่วมสัดร้ายไม่มาขวางอันตรายนะครับน้ำไม่ท่วมสัดร้ายไม่มาขวางอะไรคือคือคือไม่มีอันตรายที่จะมาขัดขฝังในการที่จะไปบอกนะครับไม่มีอันตรายที่จะมาขัดฝังในการที่บอกอนันตรายิกะสันญิจะรู้ว่าไม่มีอันตรายด้วยนะครับรู้ว่าไม่มีอันตรายปะหูจาโหตินะครับมีความสามารถด้วย ปหุนี่สามารถนะครับมีความสามารถมีกําลังมีอะไรครับมีความสามารถที่จะบอกนะครับปะหุสัญญีจะรู้ว่ามีความสามารถด้วยนะครับมีกําลังที่จะพอเดินเอพอลุกเดินไม่ได้มีอ่ามีกําลังที่มีปากไม่เป็นแผลปากไม่ไม่ใช่ไม่เป็นแผลไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้เสียงไม่มีอะไรอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับรู้ว่ามีกําลังรู้ว่ามีความสามารถแล้วกันนะครับรู้ว่ามีความสามารถที่จะบอกได้ ขาเทตักลาโมจะโหติประสงค์จะปิดนะประสงค์จะปกปิดอันนี้ตัวเจตนามาอยู่หลังนะครับประสงค์จะปกปิดขาเทตีจะแล้วก็ปกปิดได้ครบสิ่นี้ก็เป็นอันว่าปิดแล้วครับอาบัตนะครับปิดแล้วการเอาเอ า, เอาถ้าเจอว่าต้องแล้วรู้แล้วเออรู้ว่าต้องแล้วแต่ตอนนั้นดันป่วยนะครับดันป่วยพูดไม่ได้ก็ปกปิดอีกแล้ว่ถึงยังไม่ต้องมีเจดนาปกปิดก็แสดงว่าปิดแล้วใช่ไหมครับ นันเดียวเดียวเดียวผมดูต่อไปนิดนึงผมยังหาตรงนี้ไม่เจอเลยผมไม่ได้หาไว้กระางะครัาองมาย่กถาแต่ในะาปวนรับมนั่อนบาาจกรามันก็ยเราก็เอาเราว่าทังนี้อันจะกระถาอาอย่างนี้นี่ะ แต่ที่ไหนได้อคือคือมันต้องเชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆด้วยอ่ท่านเขียนให้เรามาตามลําดับใช่ไหมแต่เราเกิดไม่อ่านไม่อ่านแล้วเอามาเชื่อมโยงกันบ้างขอข้อความตรงนู้นท่านก็บอกว่าเหมือนเหมือนกับที่ที่ผ่านมานะถ้าเกิดตรงนั้นเราเว้นซะไม่อ่านซะเราก็ต้องตีความเอาเองครัทีนี้นะครับเอ้ข้อสั้นๆเล็กๆข้างล่างบางทีมันเหลืออยู่แถวครึ้นแถวแถวครึ่งแถว ถ้เหมือนเหมือนเหมือนการนู้นเนี่ยเหมือนกับที่ผ่านมาไอเหมือนกับที่ผ่านมาบาลีจะใช้สำนวนอย่างนี้นะครับเหมือนกับที่ผ่านมาไอตรงไหนวะเหรฮะบางทีในอนุถามันไปเหมือนในบาลีอ่ะครับท่านยกบาลีมาหนึ่งตัวใช่ไหมครับแล้วก็ท่านบอกเพรอพอเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วที่ผ่านมาดันอยู่ในบาลีนุ่นก็มีอย่างนี้ก็มีใช่ไหมครับก็แล้วถ้าเกิดเราไม่ตามไปดู่ะเราก็ต้องคิดเอาเองอ่ะทีนี้อ่านิฐานเอาเองแล้วกันหรือประมวลเอาเองวะ มันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนีองนอง้อย่างนี้แล้วก็โอ้ตกลงอย่างนี้แล้วกันไอ้ตกลงคือตกลงกับเราเองไม่ได้ไปตกลงกับใครแล้วตกลงเอาอย่างนี้แล้วกันอืมตกลงความคิดของตัวเองฮะฟังไงครับในที่ไหนครับต้องถามสถานที่ ในที่ไหนอ่ะในที่ไหนในที่เอออย่างนี้ครับในวัดในวัดด้านนอกวัดครับในวัดในวัดหนาวไหมครับยุงมียุงครับอ่ายุงได้ครับได้ได้ได้คือ <c ười> ถ้าไมถามแล้วตอบเลยแล้วเดี๋ยวท่านก็ก็แย้งผมได้ใช่ไหมผมก็ต้องถามท่านท่านถามผมผมก็ต้องถามก่อนว่าได้ไหมได้ไหมได้ไหมอย่าง น, างนี้อย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมนะครับที่เกลงกาเบีย เ, เกลงกาเบียทั้งหมดครับทั้งหมดเขา เข้าสาราเข้านวัตการพระพุทธรูปไม่ไม่ไม่ลดไหลใช่ไหมครับผมผมเห็นเยอะเลยในอุงทเทียบเขาไม่ลดหรอกรับเขาห่มคุมกัไปเลยในสถานที่ที่ไม่ใช่ของเขาเขาห่มคุมหมดเลยมานี่เขาก็ต้องห่มคุมถ้าเขาจะมากราบครับคุมแล้วกราบเลยเขาไม่ลดไหลจริงจริงแล้วเราก่อนจะเข้าอาวาสของผู้อื่นเราต้องลดไหลลดล่มถอดรองเท้าใช่ไหมครับลดไหลลดล่มถอดรองเท้าต้องทํา ไม่ต้องยังไม่ต้องพูดถึงเข้ามาในที่ที่มุขเ้ญญาประทับเลยยังไม่ต้องพูดถึงเลยเพียงแต่อาวาสเท่านั้นเองครับที่อยู่ที่อยู่มอกที่ทักทักทักทักักไ อ, อ้กันหนาว <laughs> <laughs> แล้วก็บริการที่เก้ามั้ฮะ ใส่ได้แต่ต้องยายายาไม่ใช่ของค า, ารวะไม่ใช่เหมือนของค า, ารวาะมันเป็นยังไงนะครับเป็นผ้าของเราถึงเวลาเราทําผ้าของเราเป็นหมวกอ่าผ้าผ้ า, าที่สมควรจริงว่าเป็นหมวกแล้วเราก็ใส่คือเอทีค า, ารวะเขาไม่ได้ใช้ก็เหมือนกับของเราเราไม่ได้ใช้เหมือนของค า, ารวะงั้นก็ต้องเอาผ้าเหลืองเมาทำหมวกไม่ใช่ผ้าเหลืองเหลืองครับผ้าผ้าแบบของเราอย่างนี้ผ้ า, าที่เราใช้นะหมวกถักคทา อยที่เราส่งไปให้ท่านอะไรอย่างนี้โยมซื้อฮผมห้ามแกแล้วครับน่ะแกแกบอกว่าเขาใส่กันเยอะทางเหนือต้องใสไม่ใส่มันด้มันปวดหูผมไม่เคยใส่หมวกที่ไหนเลยนะครับน่มแต่ใส่อยู่แต่เฉพาะที่วัดพอเห็นโยมถวายมาโอ้ยใครโยมศาสตร์ส่งมาใสให้โยมไหนไม่เหมือนกัครับไม่เคยใส่ที่ไหนเลยครับโยมใครออกมาถวายก็ไม่ใส่ไอ้ไอ้ อ, อ, อย่างนี้ที่ถักถักอย่างนั้นนะครับอย่างนี้ถักถักที่โยมซื้อไปอะ ถ้าใส่อยู่ในที่อยู่ไม่เอาออกมานี่นะมันมันคงไม่ไม่ไม่ไม่เป็นอาบัตอะไรต้องใส่อยู่ในห้องครับครับแต่ถ้าใส่อย่างภาคเหนือที่ยังทั่วทัวไปที่เขาคิดกันอย่างนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม้แต่โยมาครับเป็นผู้พูดด้วยไม่ดีครับใส่ออกมาเดินเตรย์เตรย์นอกห้องนอกห้างให้คนนี้ไม่ไม่ดีครับนั้นใช้ไม่ได้ไม่ไม่ต้องตามวินัยแล้วนั้นครับไม่ไม่ต้องฮะถ้าโอ้ยไปกันใหญ่แฟชั่นแล้วอย่างนั้นครับ ใช่เอามีครับผมเห็นมีตัวมิงครับตัวมิงใช่นะนี่มีครับครับจริงๆแล้วถ้าหนักในวินัยแล้วต้องคิดอย่างนี้ว่าพุทธเจ้านี่จะห้ามไม่ให้ใช้สิ่งของที่เหมือนกับฆราวาสเลยครับไม่ได้ให้ใช้เหมือนกันกับของฆราวาสหรือไม่ใช้ของที่ฆราวาสเขาใช้กันอย่างนี้ครับไม่ใช้ของที่ฆราวาสเขาใช้กันอย่างในพม่านี่รองเท้านี่ครับรองเท้าพระต้องเป็นของรองเท้าพระเลยครับ คือมันจะเป็นแบบเดียวกันเลยไม่สวยไม่งามเลยโดยๆ เ, เ, เด็กเจ้าว่าเรือก็ไม่ใช่ <c oughs> ไอข้างซ้ายกับข้างขวาไม่รู้มันอันข้างไหนครับว <c oughs> ันไม่มองแล้วต้องสังเกตแล้วมันจึงจะรู้ว่าซ้ายหรือขวาไอผู้ใส่เนี่ยรู้ใส่ได้สองข้างของพระเมรุไทยเราส่วนมากเวลาใส่รองเท้าไปงานกิริฏมนอะไรเงี้ยหายทุกทีเลยครับของของเรามันใช้เหมือนเหมือนคนไงครับใช่ไหมครับมันก็เลยปะปนกันมันก็ต้องหายได้ธรรมดาแล้วยิ่งพุทธเจ้าท่านท่านอนุญาตไว้ถูกมา คือถ้าใช้มันไม่เหมือนกันมันเป็นของพระนะใครใส่ไปก็เฮ้ยมึงเอารองท้าพระมาลื้อเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมครับ อ, อผมว่าพระที่เจ้าอนุญาตไว้ถูกแล้ว <c oughs> ต้องใส่บางๆแล้วถ้าในที่ธุรกันดารก็ใส่หนาๆได้ใช่ไหมครับสีชั้นคือหนังมันซ้อนๆกันสี่ชั้นได้ใช่ไหมครับที่ดินดินแข็งแทงไม่ไม่ไม่ไมเจ็บถ้าอยู่ธรรมดาให้ใส่บาง ๆ, ๆนะให้ใส่บางๆ ตามจริงแล้วใส่บินทะบาดได้ไหยครับได้ครับแต่แต่เข้าไปในเขตหมู่บ้านไม่ได้นี่สมมติถ้าท่านเดินไปนี่ใช่ไหมอย่างท่านอลีเดินไปนี่เดินไปแล้วก็ใส่ไปเลยครับใส่ไปนู่นเนี่ยใกล้ๆเข้าเขตหมู่บ้านก็ถอดซุปไว้ข้างทางนะแล้วกลับมาก็ใส่เดินมาใฉ้เลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะเอาเอาถุงมติกไว้ก็ได้ครับถอดซุกใส่ถุงมติดกันเหน็บไว้ที่เอวนี่เดินขอดแค่ขอดแค่ขอดแคกไปได้เพราะสมัยก่อนเขาก็ เขาก็ถอดถอดบาทออกจากถุงเอารองเท้าใส่ถุงบาทแล้วก็เดินในหมู่บ้านรับเสร็จเอารองเท้าออกจากถุงบาทใส่ใส่จีนไอเอาจีนใส่รองเท้าแล้วก็เอาบาทใส่ถุงแล้วก็กลับมันกลับกันครับบางองค์มีถุงรองเท้าด้วยใช่ไหมครับไม่ต้องใส่ถุงบาตใส่ถุงรองเท้าเลยเอารองเท้าใส่ถุงป้องกันเปื้อนครับป้องกันเปื้อน ให้ถุงรองเท้านี่มันนี่มันถุงยังไงเออจะไปใช้ตอนไหนวะเนาะเราเห็นได้ใช้ทักทีเออมันยิงเขาได้ใช้ครับต้องได้ใช้เพราะการเปื้อนไงเวลาจะยกขึ้นมาเก็บใช่ไหมครับมันการเพื้อนก็เลยเวลากลับมาก็ซักเฉพาะถุงที่มันเพื้อนก็ซักเฉพาะถุงใช่ไหมครับมันก็เลยใช้ได้ยังไปเข้าใจว่าเขาเขียนผิดยังไงครับเอ้ถุงรองเท้าถุงเท้าหรือเปล่าวเออถุงน่ากลัวจะเป็นถุงเท้านะมันรองมันเกินกันมามั้งเนาะเออเลยไปซื้อถุงเท้ามาใส่ ถ้าเราถุงเท้าใส่ได้ได้ครับเป็นโลกครับถ้าใส่ได้ก็แสดงว่าบวกอะไรนี่ก็คงจะใส่ได้แต่เป็นโลกครับถ้ามีข้อยกเว้นอยู่ถ้ามีข้อยกเว้นงยครับเยอะครับยิงไนกก็ใส่ได้ครับยิงไนก็ใส่ได้เป็นโลกแค่เลื่อนครับเห็นเห็นไหมครับเห็นเห็นผ่านนี่สีชนะที่มีแฉกไหมครับเห็นไหชายยาวเนี่ยนี่เห็น สีนิ้วอะไรนั้นชายมันใช่ลหมครับตัวอาสนะเท่านี้แต่ชายยาวเกือบเท่าตัวอาสนะท่านว่างเขาไว้ทำอะไรทําไมก็สี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็อาสนะไอ้นั้นทําไมก็อาสนะทําไมต้องมีอย่าดด้วยอ้ยววอาวก็อย่างนี้ก็การเพื่อนอะไรก็ได้เหมือนกันสมมติาอาสนะอย่างนี้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็การเพื่อนก็ได้แต่อันนั้นทำไมต้องเป็นแขกแขกไม่ใช่จีวร ล, ลุ่มร่างอาสนะอาสนะครับ เออนั่นไว้ทำเก่งนในได้ครับสําหรับพี่สุภูเป็นโรคหั่มเอ้ไข่ใหญ่หนะครับไส้เลื่อนเดินทางไปไหนแล้วมันลําบากเว้นผ้าอย่างนี้แล้วมีเวทนาท่านก็เอามาอย่างนี้เอาเอ า, เอาผ้ามีสีธนะมาอย่างนี้เราว่าแบบซูโ ม, โม่ครับรัดรัดประคตเข้าไปนงสบวงแล้วก็รัดประคตเข้าเอาเชือกรัดเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็เอาชายมันชายมันตรงกลางนี่เอาขึ้นมาเน็บไว้ทาง ข, งข้างหลังนี่ครับ เออแล้วมันก็เลยรัดไขไว้เดินไหนวินนบัยอะไรไม่ปวดไม่ปวดอในเรื่องนี้นะครับกัน<อ>ไว้ก่อนวิชาการทางแพทย์ทางหมอนี่ครับเพราะว่าโจมตีมากเลยครับถามว่าผู้ทวงเนี้ยวันญัติอะไรออกมาไม่ดูสังคมว่างั้นแล้วคิดดูดิภาพไม่ใส่กางเกงในแล้วก็ส่วนมากกรับเป็นโรคไส้เลื่อนกันเอาเอาเอาไม่ใส่กางเกงในนี่นะครับครับ พราะเห็นผ้าเป็นโลกเส้เรื่อดบางอือาแล้วทีนี้ว่าเขาว่ามาอย่างนี้แล้วเราจะแก้เขาอย่างไรแกยังไงไม่ต้องแก้งไง ร, รู้ได้ยังไงว่าพระเจ้าบัญญัติไม่ไม่ตามสังคมพระเจ้าบอกว่าใครมีอาการปวดไข้นี่เธอนี่อนุญาตไว้เลยหนึ่งกิ่งในคือผ้าไม่ทําให้มันเหมือนพราวาสแต่มันใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันครับเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันเลยแต่ ว, ว่ามันไม่เป็นตัวที่ว่าออมันคือผ้านี่ต้องใช้ผ้าเป็นผืนครับ ใช้เป็นตัวเป็นเสื้อเป็นตัวเป็นเงเกงเป็นตัวเป็นอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แต่มันใช้ประโยชน์ได้เท่ากันไหมครับเท่ากันรัดไข่ไว้เท่ากันเลยอย่างของของอาหาน้องถ้าเกิดปวดนะผมว่าแอปเปิลถ้าถ้าเกิดยงก็ถวายมาแล้วมีไอ้ห่อแอปเปิลนะเราเอาไปได้ไปขยุ้ไว้ทางหนึ่งนะแล้วก็ซุกเ ข, ข้าไปแล้วก็เอาได้ลอยๆมารัดเอวไว้เพราะผมว่าใช้ได้เลย <laughs> <laughs> มันมันประคองไว้ครับแล้วไม่ร้อนครับไม่อับมันระบายอากาศได้ทุกช่องทุกมุมเลย ปวดครับมันจะปวดมันไม่ไม่ใช่ปวดที่นุ่นมันปวดที่ท้องครับอ่ามันปวดครับไม่ใช่ต้องนอนเอาขาชันขึ้นข้างบนแล้วก็เข่าแหมวท้องครับเอาขานอนชันสูงๆแล้วเข่าแหมวท้องแรงๆอย่างนี้ก็จะใส่โดยมาตรการว่าป้องกันไว้ก่อนใส่ใส่ใส่แบบไหนอ่ะเอาเอาเอาแบบไหนต้องถามก่อนใส่อะไรไม่ได้ครับใส่เหมือนอย่างของคารวัตไม่ได้ครับเราทำเองแต่เรามาตการว่าป้องกันทําเองเหมือนของคารวัตไหม อ๋อแบบแบบที่ที่นี่ได้ครับได้ครับได้ไดใต่ได้หนึ่นี่ผ้านี้สําหรับใส่ได้ไม่ใช่ใส่เฉพาะพิกตูผู้มีไข่ใหญ่เท่านั้นคือไม่ใช่เฉพาะพริกตูผู้มีไ้เลื่อนเท่านั้นพริกตูผู้มีอสุจิเคลื่อนบ่อยๆเบือบอบ่อแล้วเกินซักสบงครับเซ็งเลยอะไรวะมึงไอตัวน้อยนี่มันดื้อจริงๆทางเจ้าของลําบากเลยเออ ไ, รรไอตัวพาจนนี่แหละคะไอตัวพราจนนี่มันซื้อบื้อมันดื้อหรือกัน กลางคืนครับพอเย็นมาก่อนนอนก็ใส่เลยครับป้องกันไว้คือให้อันนั้นมันเปื้อนแล้วเอานั้นซักแต่สบงไม่เปื้อนรักษาสบองใช้ได้อีกครับพิกซูผู้มีสุกากเคลื่อนเป็นเนืองเนือ ง, งเบื่อนหน่ายเหลือเกินนี่อย่างหนึ่งพิกซูผูเ้เป็นไส้เลื่อนนี่อย่างใช้ได้ครับพวกนี้นิสีตนาพวกนี้อ้าวทีนี้ท่นานรัถามว่าอ้าอย่างเรากลัวมันจะเป็นใช้ได้ไหมนิสิตนา น, นั่นใช้ได้ครับทำไมใช้ไม่ได้เพราะพระเจ้าอนุญาตอยู่ใช้ได้ เพราะไม่รู้ว่าให้ผู้เจ้าอนุญาตครับไม่รู้จำนุกี้อคนวุ่นที่มาช่วยงานนุกี้ทะลอได้ครับภาพมหาทิพยนองค์เขียนหือได้เลยอ่าอ่าอ่าอ่าอแกแกใส่แกแกบอว่าไม่ผมอยู่นี่ผมไม่ใส่หรอกแต่ผมใส่เวลาเดินทางไกลแกวะพอมาถึงงานก็อาบน้ำหน่อยเก็บตักเก็บไว้ใต้หมอนอ่าพอแกจะเดินทางอีกแกก็ใส่แกบอกใส่เพาะเวลาเดินทาง พันจิงไ ม, ไม่ไม่ต้องใช้เงียงไงก็ได้ใช้ที่เราทําขึ้นมาครับทำไม่ให้มันเหมือนของคารวาสแล้วใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันใช้ได้ครับใช้ได้กับบาพินทุซะเรียบร้อยใช้ได้ครับไม่ได้มีผิดอะไ ร, ไไรข้าพุทธเจ้าอนุญาตไว้เลยครับอนุญาตเราใช้ให้เป็นไอน้นิสิตนะไอ้ความจริงเราเรียนกันมาทุกองคแล้วแต่ไม่ได้สอนกันว่าหรือไม่ได้ถามว่าอาทำไมอันนี้มีแฉกอ่ะ ด้านนี้ทอไใบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเฉยเไม่เห็นมีแขกมีหางมีห้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไว้ทำไมอ่ะทำไมไม่ถามแปลกจริงๆเลยคิดว่ามันสวยดีไว้มันห้อยชายลงมาข้างๆโต๊ะกางๆธรรมะอย่างเงี้ยนะอ่าไม่เห็นเลยในน้ำธรรมมีนีในหนังสือน้ำธรรมมีครับโต้เลยทีบอลอ่ะ ไปจับอะไรวะไปไจับรับมือที่เขาใส่กันชายมันนะครับชายมันจะเป็ น, นขืช น, านาาาชายืนมันสามสามสาายตรงนี้เป็นตัวอาสนะอาายมันถ้าจะยาวไ ป, ไปนิดนึงมันเกือบเกือบเท่าๆกันนะครับตัตลงมา น, นนี้นอ้าวีรูปอย่างนี้ก็มีอย่างนี้อีกเดีวเดี๋ยวพี่ต้องพี่ตงน้ไม่ติดน นี่เป็นสามแฉกอาสนะที่มีรูปอย่างนี้ก็มีใช่ไหมครัยาวๆก็มีเอาแต่ไม่เกินขนาดแล้วกันเอาเนี่เวลาเรียนนะเกงไม่ทำนะไม่วาดกันนะนี่อย่างนี้อย่างนี้ตรงนี้มันเป็นแฉกมันตัดสามืนมสามสามชิ้นตรงนี้เรียกว่อะรอาสนะที่มีอไรอนุญาตให้ชายอยากเท่ายเทายใช่ไหมครับตรงนี้ชายเขาไม่ใส่สีได้นครับ ใช่คือแบบเสียดายเขียนข้างบนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไอ้ตัวไอ้ตัวประกอบเยกมันเหมือนอนุวาสของสมองอย่างนี้ไงตรงนี้ที่ผมทํานี่คือไม่ใช่ชายไม่ใช่ชายตรงนั้นแหละเขาที่เขาเรียกว่าชายอ๋อตรงนั้นเรียกว่าชายเี่ใครสอนเนาะนี่ชายครับชายมันค่อยห้อลงมาเอาพันลองเอาตรงนี้ตรงนี้นุ่งเข้าไปตรงนี้ข้างหน้าใช่ไหมเอาอื่นี่แล้วเอาอื่นนี้แอบเขามาเน็บข้างหลังครับ ฮะครับไหนชายนี่ชายนี่ม e ึงก like ็ลงไปก็ขาหนี้ไม <t m ấy meme> ่เป็นไรลงไปก็ขาใช้สีที่สมควกับเราไงนี่ใช้สีที่มันสมควรกับเราครับบางๆก็ได้เอากัวร้อนกัวไข่สุกเอาถ้าเรากัวไข่สุกไปใช้ผ้าบางๆมันก็ได้ประโยชน์เท่าเดิมครับอ่าจอรูใช้ไม่ทำอะไรจอดกปใช้นั่นนะคอะไรกับบองแอปเปิลนั่น เพื่องในก็ต้องถือว่าเป็นปฏิจจทีได้ครับใช้ของคาราวะครั บ, บใช้ของคารวะไม่ได้เลยไอ้ปฏิจจทีได้ทุกกฎวะทุกกฎเนี่ยทุกกฎทุกท ก, กฎอ่าขอพวกนี้เป็นเป็นทุกกฎครับไม่ควรแต่เรานี่นี่ครับเป็นแบบนี้แล้วเวลาฉันอาหารได้ประโยชน์เขาเนี่ทําเป็นผ้ารองเพื่อนกันเพื่อนเวลาฉันอาหารแล้วนั่งคารวะเห็นไหมครับเอาตรงการขึ้นมาเอาข้างๆออกมามันจะมาไฟอยู่ข้างๆขาแล้วก็มือมือกระวางตรงนี้ได้ อาหา ร, <ต>ลรหล่นก็มาหล่นนหญ่มันไม่ใหญ่มากนะแต่ขอใช้เลยใช้ได้เลยไม่เคยใชเอะ่ะเท่ากันครับมไม่ใช่ใหญ่ทรานท่านวัดวัดขนาดของผ้าดิถนะตัวมันกับชายมันก็เกือบเท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็ยาวครับยาวจนมาถึงจุดนี้นะครับมีลูกพี่เดนีทเนีน้องชายทีต่ตนชายกับลูกพี่รมารทไมเอาไปงัะจะตัด จะจะจะตัดยิงดีแนวหลานี่นะก็เลยไปวัดกันเอาตามบาลีเอาขั้นอนุญาตอะไรอะไรมาวัดวัดแล้วขนาดใหญ่มากเลยครับพอตัดเสร็จออกมาไม่ใช่ไม่ใช่ด้านด้านยาวยาวมาแล้วจัดครึ่งครึ่งกระดานพอดีครับกว้างกว้างยาวครับครึ่งกระดานโอ้ขนาดนี้เลย่ะครับทาไมทําไมงกขนาดนั้นไม่บอกเอาตามขนาดบาลีไม่ใช่ขั้นระดัอนุญาตไม่คนอ้วนสุดขีดเลยครับนั่นอ่ะเราก็เอาของเราที่ที่ที่เราพอจะทําได้เราพอ เพอย่างนั้นนะถ้าถ้าเกิดท่านอนุญาตจีวรไว้ขนาดเล็กกว่าจีวรพระสุคตขนาดนี้ขนาดนี้ถ้าเกิดตัดจานนั้นมีต้องลากกันไม่พออย่างนี้ไปเลยฮะพอมีคนถามไอพวกนี้ทําไมซื้อเพื่อเกินมาเกินมีคนถามทำไม่ใหญ่จังเขาบอกนี่แหละตรงขนาดโอ้น่าสงสารมาพวกนี้จังมีเขาบอกว่าภายในขนาดนี้นะครับภายในขนาดนี้ จริงจริงแล้วอย่างที่ท่านอารีบอกว่าหมอบางสมัยใหม่นี่มักตีพุทยาจ้าใช่ไหมครับว่าไม่บัญญัติตามสังคมตามอะไรตามไรเขาไม่ได้ศึกษาเขาพูดได้อย่างนี้แล้วไม่ใช่ว่าไม่เป็นกรรมนงเพนครับไม่รู้แล้วทําอย่างนี้มันยิ่งรนแรงใช่ไหมครับพุทธเจ้าอนุญาตไว้หมดเลยเกี่ยวกับการารักษาโรคอะไรอะไรป้องกันอะไรทําไว้หมดบอกว่าอา้าวถ้าพูดถึงเรื่องรองเท้าอีก พื้นสปกปรกทำไมแ ม, ม่เนี่ยย่าใส่รอมีเลยพุทธเจ้าแม่เนี่ยย่าใส่รองเท้าไม่ใส่รองเท้าแล้วเดินเข้ามาในศาลาต้องกบัดทุกคนครับไม่ใส่รองเท้าเดินขึ้นไปกุฏิต้องกบัดทุกโกรครับใช่ไหมครับพุทธเจ้าสถานขนาดนั้นป้องกันขนาดนั้นเลยครับอ่าพระองค์พระงเล้งพระงเล้งพงเล้ ง, ง, งนั่นนะถามผมว่าไอ้ทีวันนั้นผมพูดกับเนนเนรมันไม่ใส่รองเท้ามันเดินพรวดเข้ามาเลยเสีเท้าบูบทายเต็มผ้าเสีเท้าเลยผมเลยพูดคือนั้น แกก็เป็นคนไม่ใส่รองเทา้าเป็นพระไม่ใส่รองเทา้าผมแกมาเดินออกมาถามยังเขาไม่ใส่รองเทา้าต้องอบัตร เ, เลยนะครับอยู่ในวัด ต, ต้องครับถนอกวัดถ้าออกไปนอกวัดจะเข้าบ้านนี่ใส่ไม่ได้หรือไปอาวาสอื่นในขณะจะเข้าอาวาสเราต้องถอดรองเท้าอีกแต่ถ้าเราไปอยู่แล้วเราต้องใส่นะครับเพราะฉะนั้นถอดทาไมถอดเพื่อแสดงความเคารพสถานที่บุคคลผู้อยู่ในที่นั้นเท่านั้นเองแล้วก็เมื่อไปอยู่แล้วต้องใส่เพราะฉะนั้นอยู่ในอาวาสต้องใส่ ใส่ทำไมใส่ป้องกันเท้าเลอะเท้าเพื่อนเข้าไปสู่สถานที่ที่เป็นที่อยู่ก็ดีเป็นที่ประชุมเป็นที่อะไรจะไในไปเพื่อนถ้าทําเพื่อนต้องเอาบัตรทุกคนเดี๋ยวที่ว่าเวลาเข้าไปในหมู่บ้านนี้ต้องถอดนะครับเ ข, เข้าหมู่บ้านต้องถอดต้องถอดเฉพาะชาวบ้านอ่าเดี๋ยวผมนึกถึงต้นเหตุก่อนเนะี่ยมันนึกไม่ทันอนะ่ะเข้าไปในหมู่บ้านยังไงเหมือนกับขึ้นกุฏิหรือเปล่าครับ คือว่าขึ้นไปบนบ้านนะว่าเข้าไปในหมู่บ้านเข้าเขตหมู่บ้านเลยครับนครับเขตหมู่บ้านเขตหมู่บ้านไม่ใช่ขึ้นไปบนบ้านนึกถึงเหตุต้นเหตุไม่เจอครับยังนึกไม่ทันครับแลว่าถ้าออกจากวัดก็ะดงไม่ต้องใส่เลยไม่ต้องจะเข้าบ้านเหรครับจะเข้าหมู่บ้านจะผ่านหมู่บ้านว่าไงครับไม่ใช่ไม่ใช่ ทุกครั้งที่จะเข้าหมู่บ้านไม่ใช่เฉพาะเวลาบินนบาัตถถ้าเกิดเข้าไปแล้วเกิดมันเป็นถนนลูกลังลูกลั ง, ลรงลครั บ, รบมันเกิดระบมพาวันไม่มีอนุญาตเลยพิเศษไม่มีเลย เ, เออแต่เท้าเจ็บใส่ได้ครับเท้าเจ็บก็ดีเท้าโดนน้ําแล้วแล้วจะไ อ, อเป็นเชื้อราเป็นอะไรอะไรอใส่ได้ครับพวกนี้คือเกี่ยวกับพวกเป็นโรคแล้วกันครับทั้งหมด เว้นรองเท้าแล้วเธอเป็นไปไม่ได้คือเธอไปได้ไม่สะดวกใส่ได้อีกครับพิสูใดเว้นรองเท้าเสียแล้วเธอไปไม่ไม่สะดวกจะเป็นโรคเออผิวหนังก็ดีเป็นบ า, า, างทีเขเาตาปลาก็ดีเป็นโรคตาปลาในบาลีเขาจะใช้ว่าหนอทีเท้านะครับแล้วก็โรคอะไรโรคเหลืองๆโรคอะไรไมเป็นโรคพยาธิมันโรคอะไรเหลกกืองๆเขาบอกส่วนมากหมอ ส, สมัยก่อนอาจจะห้ามเหยียบดินเฉยเฉยเฉะอย่างนี้ไม่ได้ เป็นโรคดีโรคอะไรก็ใส่ได้ครับพวกนี้เป็นโรคแล้วกันเว้นเป็นโรคแบบนี้เราก็ผิดถ้าไม่มีโรคสี่เท้าไม่ได้ครับครับป้องกันที่จะเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ต้องมันเกิดต้องมันมีเหตุสักหน่อยก่อนแล้วก็ใส่ได้ไม่ได้อย่างนี้เราใส่ไปจนถึงถึงเขตหมู่บ้านฮรใส่ไปได้เลยถึงเขตหมู่บ้านเลยครับใส่เข้าไปเลยครับไปจอดไว้ข้างบ้านนี่นะครับไปจอดไว้ที่นู่นเลยครับ ครับไม่เป็นไรไปจอดไปเลยไ ม, ไม่ไม่เป็นไรผมอยู่อยู่ชนบุรีผมใส่โยมพิจารณาใหญ่โอ้ยพระอะไรใส่รองเท้าบินาบาทถามแล้วเป็นไรคือคือผมรู้อยู่ว่าคนทางวัดของเขาไม่ยอมหรอกครับแต่มันมันตามปกติสันดาลเรามันเป็นอย่างนี้อันรู้ว่าพุทธเจ้าอนุญาตอันนี้ก็ใส่ไปมันเจ็บจริงยิงเจ็บยิ่งกว่าทางนี้ครับมันเป็นหลุมลูกหลางอย่างนี้ทางวัด น, นั่นมันจะเป็นทางลูกหลางหลุมลูกหลางล้วนไปเลยครับ สองสามกิโลพ่อใส่ไปครับโยมก็สนิทครับสนิทกันหมดเลยวิจาร์เอนยอะไรพระหลวงพี่อะไรใส่รองเท้าบินลำบากไหนว่าใส่รองเท้าบินลำบากอ้าวหลวงพี่ใส่เองใส่บาทแล้วเลยยังอ้าวก็ยังไม่ถึงบ้านเองอ่ะเอใส่ไม่ได้เลยไม่ได้แล้วอ้าวพระไม่ใช่คนยังไงรู้ได้ไงว่าพระไม่ใส่ไม่ได้พระก็ใส่ได้ไอ้ที่พระเขาไม่ใส่กันมาเพราะเขาขี้เกียจใส่มีผู้จ้าให้ใส่ได้แต่ห้ามใส่บ้านนวเท่านั้นเขียนบ้านแล้วก็ เรื่องนี้เป็นไรไปเนี่ยต่อมาเขาก็ใส่ได้ครับแค่บ้างก็รู้พอกลางคืนเราก็สอนวินยัยสอนอะไรออกออกเครื่องขยายอย่างนี้ครับก็รู้ๆแล้วก็พ้านเนนก็เดี๋ยวนี้ก็ยังใส่ได้อยู่ครับที่อมนอมใส่ไปทางที่ที่เป็นลุงลังไม่ใส่ไม่ไหวครับสามสี่กิโลโอ้ระบบหมดเลยระบมเลยครับต้องใส่ครับครั้งแรกใส่ไปจอดไว้ข้างทางโยมาไปโยมไปนี่นัดไปเลยไปสองสายทางเดียวกันครับไปแล้วไปแยกกันอย่างนี้กลับวัดสองสายก็หกอง์ครับ เอาไปจอดลเลยไปเลยหกคู่อยากเอาดีนักเอาไปให้หมดเลยเอาอีกครับหาอีกแต่มันไม่หาหมดทุกคู่หายแตเพราะคู่พอดีพอดีจีนเก็ใหม่ก็ดีเก่าก็ดีขอให้พอดีจีนเอาไปเลยครับแล้วเลยสามพระองค์หนึ่งท่านไปแล้วก็ทันไปปักไว้เศกระดาษพอพอจอดจอจอจอรองเท้าแล้วก็เอาเศกระดาษก้นหินทับไว้รองเท้าพระไม่หายเลยดินี่ไม่หายเลยไปกลายเป็นตรงนั้นเป็นที่จอดรองเท้าพระเป็นทางทางแยกนี้ทางสามแยกครับทางสามแยก เราไปไม่ตรงไปเราอย่างนี้เราได้จอดไว้แล้วเดี๋ยวมันกลับมามันก็เข้ามาอย่างนี้ไหายกดอ่าถึงไหนล่ะเออปะหูจะอะไ ร, รนี่นี้นี่นี่นี่เออความสามารถนะครับมีตัวนี้ตัวเดียวที่ ท, ท, ท, ท, ที่อ่านแล้วงงตัวอื่นไม่งงปะหุความสามารถประหุแปลว่าวอา่านสามารถอย่างนี้หมดแล้วครับตรงนี้ทีนี้เราต้องคงคงน้องเรียนไปทีละอันเอา พิสูจต้องอาบัติอาบัติตัวใดก็ได้ครับในในข่าบทใดในในในเอาอันในนี้พูดถึงทานทิ่เดนจรจาในสิบสามร้อต้องอาบั 32. ติแล <time kan> ้วแล้วรู้ว่า должны, เป็นอาบัตินะครับรู้ว่าเป็นอาบัติพอรู้ว่า Tyson เป็นอาบัติแล้วเอ็นนี้หมายถึงพระวินัยทรนจะสอบสวนว่าพิสูุนั้นต้องอาบัติแล้วก็รู้ว่าตัวเองว่า ต, um. ต, ต้ตองอาบัติแล้วก็เออทีนี้พอรู้ว่าเป็นอาบัติแล้วประสงค์จะผิดปิดอย่างนี้ประสงว่าผิดปิด อย่างนี้ต้องอาบัยหรื อ, อยังเขาในาทอนจะตัดสินเลยอย่างนี้ไม่ได้เธอต้องเออเออต้องอาภัยรู้ว่าต้องอบัยประสงคจะผิดลับผิดอย่างนี้ภาพเลยเขามาถามมาถามอย่างนี้แล้วเราบอกว่าโอ้ยต้องแล้วปกปิดแล้วอย่างนี้ยังไม่ได้ต้องสอบถามต่อต่อไปอีก<ม>ท่านเคยถูกสงชกวัดไม้หมายว่าพูดในในในหลักการนะครับเคยเคยถูกสงยกวัดไม้เคยต้องมาละชิกมาไหมไม่เธอรู้ไว้เมาเป็นอย่างนั้น รู้ตัวอยู่อ่าไม่เคยต้องอะไรในขณะนั้นมีมีพระสงฆ์มีมีพระมีภิกษุที่พอจะบอกได้ไหมมีมีอันตรายหรือเปล่าในระหว่างเขากับเราที่จะไปนี่มีอันตรายไหมน้ําท่วมหรือเปล่าอผ่านสัตว์ร้ายหรือเปล่ากลางคืนผ่านสัตว์ร้ายต้องต้องผ่านโดงสัตว์ร้ายหรือเปล่าอะไรถ้ามีอันตรายรู้ว่ามีอันตรายรู้หรือเปล่ารู้อย่างนี้รู้ว่ามีอันตราย ถ้าไม่ใช่ปกตตาถึงรู้ว่าต้องอาบรู้ว่าต้องอาบัดปกปิดแล้วก็เออปัถนะปิดแล้วก็ปกิดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าปกผิดเพราะไม่ใช่ปกตตานะครับทีนี้เป็นปกตตาแต่สัำคัญว่าไม่เป็นไม่ไม่ใช่ปกตตานะครับมีความสํำคัญเดี๋ยวต้องไลน์ไปทีละอันดีกว่านะมันมันมันจะสลับกันไปสลับกันมาครับบางทีพูดเองก็งงเองนะนะครับอ้าวมันไปอยู่ที่ไหนนะ <ambiente |th|> the อ, อ, อ่าอ่าข้อนุยังไม่จบครับขออ้อนี้ยังไม่จบตั้งอาบัตแล้วไอ้ข้อนี้เราสอบวนไปหมดแล้วสมมะเราิ่มใหม่ตั้งอาบัตแล้วแต่มีความสําคัญว่าไม่ใช่อาบัตต้องอาบัตแล้วมีความสําคัญมีความสําคัญว่าไม่ใช่อาบัตนะครับมีความสําคัญว่าไม่ใช่อาบัตอย่างนี้ถึงจะมีไอ้ทามินมีความสําคัญว่าไม่ใช่อาบัตมั น, ม, นมันไม่ได้มันจะไม่มีเจตนาปิดใช่ไหมครับมันก็ไม่ไม่ชื่อว่าปกปิด แต่ต้องไปแล้วครับต้องไปแล้วแต่มีความทั้งงานว่าไอการทําอย่างนั้นไม่ใช่อบัตนะครับอย่างนี้ก็ไม่เกี่ยว่าปกปิดรู้อยู่ทําเป็นไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ครับอย่างนั้นไม่ได้อันนี้หมายเอาตรงๆเลยครเขาทํำแล้วมันไม่ใช่อบัตหรอกมันไม่เป็นอบัตกิจการที่ทำนั้นไม่ไม่ไม่เป็นอบัตแต่สําคัญว่ามันเป็นอบัตนะครับสําคัญว่ามันเป็นอาบัต ใช่เป่าสําคัญเป็นว่าเป็นอาบัติก็ดีสําคัญว่าไม่เป็นอาบัติก็ดีไม่ชิว่าปิดเหมือนกันนะครับทั้งสองอันเลยคืออาการนี้ต้องอาการนี่ทำมมันไม่เป็นอาบัติมันก็ถึงจะทํำยังไงในองค์เหล่านี้ก็ไม่ยังไม่เป็นอาบัติอยู่นั่นเองยังไม่เป็นกัรปิดอยู่นั่นเองนะครับยังไม่เป็นกานปิดสําคัญว่าเป็นครุกะบัตแล้วปิดนะครับปิีปิดครุกะบัตด้วยสําคัญว่าระหูกาบัตต้องครุกะบัตแล้วสําคัญว่าเป็นระหูกาบัติกลับกันแล้วนะครับ ครั้งแรกต้องอาบาัตเบาสำคัญว่าเป็นเป็นอาบัตหนัก